เผลิไม่นานนะคะเราก็เข้ามาสู่ช่วงของวันเสาร์กลางเดือนกันยายนกันแล้วค่ะนะคะแล้วก็สําหรับรายการธรรมาราบรุณซึ่งมาพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็คิดว่าหลายท่านที่เป็นแฟนรายการอยู่หรือท่านที่รับฟังรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจํานั้นก็คงจะทราบนะคะว่าทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จะมา ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่จะสนทนาธรรมะหรือว่าสากั์ฉากับท่านพระอาจารย์ไัยบุญอภิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกเป็นท่านผู้อำนวยการหลักสูตรการอบรมธรรมะอของวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนนั้นท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาสุ ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซก ค, ค่ะสำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์ของกลางเดือนกันยายนนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำสการพระอาจารย์เพบุญและพีุ่โนพร้อมกันนะคะท่านมีธรรมะดีๆซึ่งก็เป็นพระคถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าส่งตรัสไว้แล้วก็ท่านจะหยิบยกแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราหรือว่าเกี่ยวข้องกับ พี่น้องชาวไทยเราในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีแล้วก็นําเสนอกันเป็นประจำในช่วงที่เป็นวันเข้าพรรษานี้นะคะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจาร ย, ย์ไพบูลพี่ปุณโญพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาพะอาารย์สาธุเจ้าขาสำหรับในเช้าวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ กู้นี้อะไรต่างๆนะเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของความยากจนเพราะตอนนี้นี่ประเทศไทยเราหรือว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะก็กําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจกันอยู่นะคะแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นตํารวจใหญ่ของโลกนี่ก็ยังเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจเหมือนกันดังนั้นเรื่องของความยากจนนี้พี่น้องประชาชนในทุกประเทศก็คงจะเจอคล้ายๆกันนะเจ้าคะแล้วก็แม้แต่ประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่ า, ยอยางอเมริกาก็ยัง ต้องกู้นี้ยืมสินนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบนำ้ำมัศการพระอาจารย์ไบบูลับพี่ปุโนโได้หยิบยกพระคถาเกี่ยวกับเรื่องนี้อขององค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้สาธิยายให้ท่านผู้ฟังถึงบ้านได้รับฟังกันเลยเจ้าค่ะขอกราบนำ้ำมัศการเจ้าค่ะก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนจนความจนแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ตามมาอยู่นี่ เ, อเยอะมากนะแล้วก็คําสอนที่พระองค์สอนก็คือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ มีหลายนัยยะที่เคยเปรียบเทียบ เ, เรื่องความจนเนี่ยในเนื้อหาของธรรมะก็มีหรือว่าเปรียบเทียบความที่คนจนเนี่ยเพราะมีบุญน้อยอย่างนี้ก็มีทีนี้วันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือคาถาที่เกี่ยวที่เกี่ยวกับความจนแล้วก็การกู้หนี้พระพุทธเจ้บาบอกว่าความจนและการกู้หนี้เนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ของคนในโลก<จ>อันนี้หมายความว่าอย่างไงคือพระพุทธเจ้าเคยบอกว่า คนที่บริโภคกรารเนี่ยอย่างสมมุติคนที่ยังเป็นค า, ารวาสยังมีอิ่มเอิบด้วยกรรมคุณทั้งห้าน ะ, ะ, ะซึ่งกรารในที่นี้เนี่ยก็คือหมายถึงความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเนาะทีนี้ถ้าคนยังบริโภคกามอยู่นะเขาจะถ้าใครมีความจนเนี่ยเขาจะไม่ได้บริโภคตามเต็มที่ถูกไหมก็จะมีความทุกข์ละสมมุติเงินในกระเป๋ามีไม่กี่ร้อยอ ย, อย่างเงี้ยนะแต่อยากจะขับเบนซ์อย่างเงี้ยเราจ ะ, ะต้อง ก็จะต้องกู้หนี้แหละทีนี <Okay. S 1> ้ความยากจนพอเขาดูงเงินในกระเป๋าโอ้ฉันมีไม่กี่ร้อยเองนะก็จะมีความ <Okay. S 1> ทุกข์เกิดขึ้นแล้วอันนี้อั น, นที่หนึ่งถูก <Okay. S 1> ลูกถอนลูกสอนแทงแล้วหนึ่งลูกเสร็จ <Okay. S 1> พอถูกแทงแล้วต้องไปกู้หนี้นะคนที่เป็นหนี้เนี่ยคุณเดือนใจเอ้ยแมมคนที่เป็นหนี้เขาจะสาบ <Okay. S 1> จะมีความกังวลจะมีความทุกข์โอ้ยดูทําไมเราติดลบเป็นหนี้คนอื่นอย่างเงี้ยคอถ้าคนใครเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยธนาคารก็จะส่งบินมาทุกเดือนทุกเดือนเลยนะ ว่าคนนี้ยอดคุณเท่าไหรดอกเบี้ยเท่าไหรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยมากมักจะหักดอกเบี้ยมากกว่าต้นนะเจ้าค่ะใช่แล้วยิ่งโดยเฉพาะนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยขอเมืองไทยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ที่ของอเมริกาเขามีปัญหานี่ก็เพราะเรื่องของหนี้หนี้แต่ละบุคคลเนี่ยก็ยิ่งมากเหลือเกินหนี้บัตรเครดิตโดยเฉพาะยิ่งเนาะทีนี้พอคนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยกู้หนี้มาแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์เสร็จแล้วก็ต้องใช้ดอกเบี้ย ผู้ที่ชอพูดถึงดอกเบีย้ยนั้นในสมัยนู้นะะคการใช้ดอกเบีย้ยเนี่ยก็เป็นทุกข์อย่างที่คุณเดินใจว่าเนี่ยดอกเบีย้ยโอโ้โหทําไมมันมากกว่าเงินต้นอีกะนะพ อ, อะถูกใช้ดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ตามเวลาก็ถูกทวงนะถูกส่งจดห ม, มายมาฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองนะตัวแดงๆ ด, ด้วยนี้วก็จะมีหมายอะไรต่างมาอันนี้ก็จะเป็นความทุกข์ของเขาแค่นั้นยังไม่พอ แลวทวงแล้วใช้ยังไม่ได้อีกใช้คืนไม่ได้ก็ต้องถูกติดตามนะถูกติดตามไปที่ไหนก็แล้วแต่ถูกติดตามได้ก็ต้องถูกจับกลุ่มนะการถูกติดตามก็เป็นทุกข์การถูกจับกลุ่มก็เป็นทุกข์เพราะนั้นตรงนี้คือเป็นทะุกข์ของผู้บริโภคการในโลกทั้งหมดเพราะว่าความอยากของเราท่านนั้นเองนะทีนี้ประเด็นตรงที่พูดถึงนี้คืออะไร แนวะพระรูปเจ้าเปรียบเทียบอย่างีคุณเตือนใจบอกว่าบุคคลสักคนในคนหนึ่งนะที่ไม่มีศรัทธาไม่มีเฮริไม่มีโอตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีคุณธรรม5อย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นคนจนนะนคือคนจนนี้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ไงศรัทธาเฮริโอตปะวิทยะปัญญาเนี่ยคืออริยทรัพย์ใช่ไหมคุณไม่มีไม่มีเงินนะก็ไม่มีคุณธรรม5อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนจนคนจนเนี่ย ก็ต้อไปกู้หนี้นะ <Okay. S 1> การกู้หนี้ก็คือการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจ <Okay. S 1> อือใช่ค่ะอ่าทีนี้การประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจคือการกู้หนี้อย่างเราไม่มีคุณธรรมในใจใช่ไหมแต่เราก็ไปด่าคนอื่นเราก็พูดโกหกกีับคนอื่นแล้วเราก็ไปแอบขโมยของพวกนี้เป็นการกู้หนี้หมดเลยอือใช่ค<ๆ>่ะเปรียบเทียบกับคนที่กู้หนี้อันนี้ไม่ได้หมาย อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ที่เป็นตัวเงินที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นใช่ไหมเจ้าค่ะร่อของนีเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้คือเป็นคุณธรรมที่อยู่ในจิตมสมมุติาการกู้นี่คือการที่คนเขาประพฤติไม่ดีทางกายวาจาใจอาตม า, าเคยเห็นหลายๆคนเลยคนที่อายุ60สิเจดสิบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีตังชีวิตไม่ประสบความสำเร็จมีหนี้สินมากมายเนี่ยนะเพราะว่ า, าตอนสมัยเขาหนุ่มๆเนี่ยเขาทาไม่ดี ตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะใช้สอยมือเติบนะประพฤติผิดทางกายวาจาใจเพราะแก่แล้วไม่มีเงินนะเศร้าหมองก็เพราะว่ามีการกู้หนี้ซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบการกู้หนี้เป็นการที่ประพฤติผิดทางกายวาจาใจอเจนะแล้วพอคนประพฤติผิดทางกายวาจาใจเนี่ยเขาจะตั้งความปรารถนาลาหมกไว้ไม่ให้ใครรู้จักเขาอนะ ขวนขวายไม่ให้คนมาจับได้ว่าเราทำอะไรผิดนะไม่ให้คนมารู้จักไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดจาเพื่อบ่ายเวี่ยงโกหกเพื่อมาโกหกปิดโกหกที่โกหกไว้ก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้เจ้าค่ะคุณทำไม่ดีไว้ใช่ไหมคุณต้องยิ่งทำไม่ดีปกปิดไวนะ้เพื่อที่จะเป็นการปกปิดของไอ้สิ่งที่เราทำไม่ดีไว้อันนี้คือดอกเบีย้ยเจ้าค่ะทีนี้ดอกเบีย้ยแล้วคนที่เจอดอกเบีย้ยเนี่ย ถ้าใช้เงินยังไม่ได้ต้องถูกทวงใช่ไหมเพราะฉะนนการถูกทวงถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะคืออะไรก็จะมีคนมาด่าว่าว่าโอยท่านทําอะไรอย่างนี้น่าเกลียดน่าชังจริงๆทําไมทําสิ่งที่ไม่ดีนะการถูกด่าถูกว่าถูกพูดอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าการถูกทวงนี้คือทวงความดีที่เราไม่มีว่างั้นเถอะทีนี้พอถูกทวงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องหนีใช่ไหมหนีทํายังไงก็หนีก็คือใช้ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ทีนี้ว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนไปแอบซ่อนตัวที่ป่าที่โคนไม้หนีไปต่างจังหวัดนี้ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความคิดอันเป็นอกุศลจะติดตามใจอยู่ในใจเขาไปตลอดคือใจใ<ช>มันจะกังวลมีแต่เรื่องกังวลมีความร้อนใจความคิดไม่ดีกลุ่มรุมจิตขึ้นมาอย่างนั้นอย่างถึงแม้ว่าคนที่เขามีความเครียด ม, มากๆคนเตินใจเวลาไปหยุดงานใช่ไหมไปพักผ่อนอย่างเงี้ยมันยังมีความหนักใจมันเอางานไป พักผ่อนด้วย<า>มันก็โอ้โความคลี่กุ้มรุมจิตลนนักษณะนี้อันนี้เรียกว่าการถูกติดตามถทวงนี้ไปอยู่ป่าอยู่คนม้อยู่คนเดียวไม่ยังถ่วงเราอยู่น้นดวดยความกังวลตรงนี้ป่อยวางไม่ได้ท<า><า>ีนี้พอถูกทวงนี้แล้วก็จะต้องถูกอ่าจําอบก็เรียกว่าจองจํานะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอย่างเนี้ยใจไม่สบายใจมีความกังวลอยู่เนี่ยถ้าตายไปตอนนั้นนะ ก็จะไปสู่นรกกาเนิดเดรัชานเปรตวิสัยเข้าค่ะแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการจองจําที่โอ้โหอันตรายมากเผ็ดแสบไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการถูกจองจําอยู่ในกําเนิดเดรัชานอีกแล้วเข้ค่ะอย่างคุกบางขวางนี่เขาจองจําจําคุกได้แค่ชีวิตเดียวน ะ, ะ, ะถ้าเราไปตายในคุกเนี่ย<ๆ>เขาก็เผาทิ้งเลยแล้วเขาก็เขาเรียกว่าคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อนักโทษ ใช่ไหมไม่มีตายไปแล้ว่าจบกันแต่ถ้าถูกขังในนรกหรือถูกขังในเดชะชานี่มันไม่ใชค่คุณจะถูกขังเป็นชาติเป็นร้อยผมโ่้โหเป็นหลายภพหลายชาติครับพระพุทธเจ้าเคยเปรียบอย่างนี้คุณเตือนใจบอกว่าเหมือนกับโลกเราใบหนึ่งเนี่ยนะมีน้ำสามส่วนใช่ไหมมีดินส่วนหนึ่งอต่อให้น้ําท่วมทั้งหมดเป็นสี่ส่วนเลยน้ําท่วมปีแต่ทั่วโลกเป็นน้ําหมดเลยแล้วก็มีลมกันโชกแรงเหนือใต้ออกตกพัดไปหมด ในน้ำนี้ก็มีคนยนต์แอกไม้ไผ่ลงไปอันหนึ่งแอกไม้ไผ่นี้เนี่ยก็มีรูเจาะได้อยู่รูหนึ่งนะรูนี้เนี่ยก็เป็นรูก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีลมพัดไปมาด้วยนะไอแอกอันนี้ก็แล่นไปเหนือใต้ออกตกตามทิศทางของลมเจค่ะทีนี้ในในน้าทะเลหมาสมุทรเนี่ยมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดอยู่แะเต่าตัวนี้อึดมากร้อยปีถึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ เต่าปอดใหญ่เหลือเกินพอร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยผู้เช่าก็ถามมาโอกาสนะคือความน่าจะเป็นที่เต่าตัวเนี้ยจะเอาหัวเนี่ยตอนโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยซุกเข้าไปพอดีพอดีในในรูที่มีอยู่บนแอกนี้ความน่าจะเป็นนี่จะเป็นไปได้ไหม หยุดคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในร้านนะเจ้าค่ะโอ้ยิ่งกว่าหนึ่งในร้าน<อ>ยิ่งหนึ่งในหลายร้อยร้านเนาะเ้าค่ะต้องใช้เว<า>ลานานพ <ตา S 1> <า>อ<า>ด้วยนะเจ้าค่ะถ้าตาดียังว่าไปอย่างน ะ, ะ, ะนี่ตาบอดด้วยแล้วก็อึดมากๆากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือโอกาสคือความน่าจะเป็นหรือว่าระยะการที่ยาวนานถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปถึง น, นรกกาเนิดเดรัชานเปรตวิสัยแล้วถึงจะหลุดออกมาได้อื้ากว่าจะได้ความมาเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยยากขนาดนี้ ยากขนาดนี้จบค่ ะ, ะแล้วก็ยังไม่ใช่ยากแค่เท่าเดียวยังยากเป็นสองเท่าตรงที่ว่าความที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตรัสรู้บนโลกก็ยากขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็ยังยากเป็นเท่าที่สามนะว่าไอ้ธรรมวินัยที่รพระพุทธเจ้าประกาศไว้เนี่ยจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก ค, คือพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยมาตรัสรู้ก็จริงแต่ว่าธรรมวินัยเนี่ยอยู่แค่ช่วงการที่มีชนมายุอยู่ หลังจากปรินิพานไปก็ไม่ได้มีคําสอนสืบต่อไปนานเท่าไหร่แต่ยังพระพุทธเจ้าของเราสมณโคโดมองเนี่ยยังมีคําสอนที่ยังอยู่มาเป็นหลายพันปี่เพระเาะฉะนั้นตอนนี้เราได้หมดทุกอย่างเลยนะคุณเตือนใจความเป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วใช่ไหมมีพระพุทธเจาเ้าก็มาตรัสรู้แล้วและคําสอนของพระองค์ก็ยังมีอยู่โอ้หมันยากขนาดนี้เรายังได้แล้วพระพุทธเจ้าจึงอ ชักชวนให้มารู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทีนี้พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องนี้จบนะเปรียบเทียบในะระหว่างภาษาคนนะในเรื่องของความยากจนการกู้หนี้การถูกติดตามดอกการชําระดอกบีอะไรพวกเนี้ยเทียบกับเป็นภาษาธรรมะในเรื่องได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยน ะ, ะก็จึงพูดเอาไว้เป็นคถาคถานี้ก็ยาวเหมือนกันที่เริ่มต้นด้วยคําว่า ความยากจนและการกู้หนีนะ้ท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกนะคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้างเพราะถูกจับกุมบ้างการถูกจับกุมนั้นเป็นความทุกข์ของคนบูชาการได้กามแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตปะสังสมแต่บาปกรรมกระทํ่กายวาจาใจอันเป็นทุจริต ปกปิดอยู่ด้วยการกระทําทางกายวาจาทางใจเพื่อไม่ผู้ใดรู้จักเขาผู้นั้นพอกปูนบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นๆ <Okay. S 1> คนชั่วทําบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนเสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนแล้วก็ความตริตรึกที่เกิดจากความร้อนใจอันเป็นเรื่องทรมานใจย่อมติดตามเขาไปในทั้งบ้านและในป่าคนชั่วทําบาปกรรม รู้สึกแต่กรรมชั่วของตนย่อมกำเนิดเดรัจฉานบ้างหรือว่าถูกจองจําในนรกบ้างการถูกจองจํานั้นเป็นทุกชนิดที่ทีละชนไม่เคยประสบเลยดังนี้มีความที่ต้องอธิบายตรงนี้นิดนึงคือเรื่องของความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยคือความไม่สบายใจที่เวลาเราทําเรื่องไม่ดีไม่ดีอย่างนี้นะเรา จ, จะมีความรู้สึกไม่สบายใ จ, จถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าคุณตัวใจบางทีเราทําอะไรพลาดพลั้งไปอ่ย เช่นว<ช>่าเดินเดินไปอ้าวเหยียบมดตายเอ้ยเรารู้สึกยังรู้สึกไม่สบายใ จ, จ, จตรงนี้คือเขาเรียกว่าความร้อนใ จ, จ ค, ความร้อนใจตรงนี้มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราผิดศีลถ้าเราผิดศีลเนี่ยจะมีความร้อนใจภาษาบาลีเขาใช้คาว่าวิปติสารทีนี้ถ้าเราทำถูกศีลเราประพฤติถูกเนี่ยทางกายวาจาใจเนี่ยเดินไปไหนเราก็สบายใจ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอความที่เราร้อนใจเนี่ยมันเหมือนกับมาติดตามเราไปหมดไม่ว่าจะไปอยู่ในบ้านในป่าในเมืองในอะไรติดตามเราไปหมดเลยโจคาเรียกว่าติดตามไปทุกที่นะโจคาใช่ชแล้วอันนี้คือที่เปรียบเทียบกับว่าการถูกทวงหนี้าการถูกการถูกติดตา ม, มถูกติดตามเพื่อทวงหนี้อย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันมาเป็นอย่างเนี้ย่าสมมติคนจนเนี่ย หรือว่าคนที่เขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็แค่ว่าคุณทำคุณธรรมนั้นให้เกิดขึ้นนะเช่นว่าคุณไม่มีฮิริใช่คุณก็ให้เป็นคนมีฮิริคุณไม่มีศรัทธาใช่ไหมก็ทำตัวให้เป็นคนมีศรัทธาตัวเองก็จะไม่ต้องไปกูนี่เพราะฉะนั้นไอการที่ทำตัวเราให้มีศรัทธาให้มีฮิริให้มีโอตปะพวกนี้ก็คือการที่เร า, เ, าเป็นคนสันโดษ นะถ้าเปรียบเทียบกับภาษาคร น, นะคุณจนใช่ไหมคุณก็พอใจในความที่เรามีอยูนะ่แล้วแต่ว่าเราต้องมีความเพียรนะในการทํากิจการงานในที่จะให้มีทรัพย์สินสมบัติขึ้นมาได้อันนี้ก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้น ค, คนแต่ว่าทําไมบางคนเนี่ยไม่รู้จักเจียมตัวคุณเตือนใ จ, จฉนันมีเงินน้อยก็ไม่พอต้องไปขอกู้ธนาคารหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้มีเงินมากบางคนไม่กู้นะไปปล้นอย่างเงี้ย เมื่อเร็วๆนี้นะเจ้าค่ะก็มีข่าวรุ่นธนาคารนี่นะก็ไม่ถึงกับปล้นนะเจ้าค่ะแค่ไปเปิดเซฟของคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอเอาไปตั้งหลายสิบล้านนะเจ้าค่ะทั้งที่เป็นเพื่อนกันเองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืแล้วก็เอาไปซื้อรถซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งซึ่งไม่น่าจะจําเป็นมากถึงขนาดนั้นนะเจ้าค่ะก็คือถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ละผิดศีลละที่ที่ตัวเองไม่พอเนี่ยก็ร้อยเหตุอย่างเดียวเลย นะที่มีการปล้นสะดมที่มีการขโมยของด่ากันว่ากันเพราะเหตุคือการก็ไก่สราหมออมานะกราบ ใ, ในที่นี้ต้องผู้ให้เข้าใจนิด น, นึงว่าอย่าไปสับสนกับเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับกรรมมรรมหรือว่าพวกตันหากลับอะไรพวกเนี้น ะ, ะแต่ว่ละอย่างกันคนละอย่างกันอันนี้ถ้าเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคือมีกินความกว้างมากกว่านั้นอย่างถ้าเป็นเรื่องของชู้สาวอย่างเนี้ย กินความมากกว่านั้นคือคำว่ า, าการที่พระุทธเจ้าใช้ในที่นี้กินความเรื่องนั้นด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกด้วยในการในที่นี้เนี่ยคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินในอะไรในตาหูจมูกลิ้นกายานะความพอใจที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอะไรบ้างเช่น ว, ว, ว่าสมมติเช่นว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วเรามีความพอใจกาหนัดเพลิดเพลินในบ้านหลังนี้อันนี้กุลเสพการนะแต่ถ้า คนรวยมหาศาลเลยมีคระหัดอยู่หลังหนึ่งแต่ว่าก็สันโดษอยู่นะมีเห็นโทษไม่ได้มีความกําหนัดลุ่มหลงก็ชื่อว่าวไม่เสพกามอืมเจ้ค่ะนะหรือว่าคนจนมากๆเลยอย่างชาวบ้านตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็ไม่ได้ฝาผนังที่ปูด้วยวอลเปเปอร์หรอกนะมีอิฐบล็อกมาก่อก็ดีแล้วไม่ได้ฉาบปูนด้ว ย, วยค่ะแต่ถ้าเขามีความกําหนัดยึดถือในสิ่งนั้นนะอันนี้เขาก็เสพกาม เพราะนั้นสิ่งที่ เ, เขาเรียกว่าอารมณ์อันวิจิตพิสดารอย่างเงี้ยที่มีอยู่ในโลกเนี่ยกับกามเนี่ยมันคนละอย่างกันกามคุณคืออารมณ์ที่วิจิตพิสดารในโลกอย่างเช่นรถเบนซ์บ้างกระดาษหลังโตโตเงินมากๆพวกนี้เป็นกามะคุณห้าะเป็นอารมณ์อันวิจิตพิสดารภายนอกแต่ว่าความกําหนัดมัวเมาลุ่มหลงยินดีในสิ่งนั้นเนี่ยคือกามนะเพราะนั้นกามเนี่ยมันอยู่ในจิตเรา นะซึ่งมันเกิดจากกา ร, รมาคุณ อ, อย่างคนคอย่างคนจนอย่างเงี้ยคุณเตือนใจถ้าเขามีความปรารถนาว่าเขาต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างเงี้ยะแล้วเขาไปลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนี้มากในความที่เป็นเงินล้านที่เขายังไม่มีด้วยนะะเขาชื่อว่าเขากำหนัดเสพกรามอยู่ในสิ่งที่เขาไม่มีนะคะอนะมันละเอียดถึงขนาดนี้อนะย่างเราแค่ต้องการมีความอยากที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องใหม่อ่ะ โทรศัพท์มือถืออาจยังไม่ออกหรอกมันแค่โฆษณามาเฉยๆยังมาไม่ดันถึงเมืองไทยเลยจิตเราอยากไปก่อนแล้วออยากไปก่อนแล้วนะก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะใช้มันตรงนี้ฉันจะใช้มันเนี่ยคือคุณลุ่มหลงมัวมาไปละนะั่น ค, คือเสพการทั้งๆที่ของมันยังไม่ถึงมือเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ชื่อชื่อว่าเราจนละเพราะเราจะกระหายละเราจะหิวละเราจะอยากละเราจะแบบไม่อิ่มตรงนี้จนพอจนแล้วเราจะทำยังไง มันก็จะต้องกู้หนี้แล้มันจะต้องขวนขวายแล้วในการที่จะหามาใช่ไหมโทรศัพท์ฉันก็ยังมีดีๆอยู่อย่างเงี้ยนะอ่าเป็นต้นอืก็อยากจะเปลี่ยนรุ่นนะจ้ะคะใช่ให้ใหม่ที่สุดอืมเพราะฉะนั้นค น, ค, ค, นคนจนเนี่ยคือคนที่บริโภคกามเจ้าค่ะนะคนที่ไม่บริโภคกามเนี่ยก็จะเรียกว่าพอมีทรัพย์สินอยู่บ้างเจ้าค่ะเรายัางยกคนที่เอ่ยกคนจนคนรวยคนที่มีเงินอ่ะเงินในกระเป๋ามีมากใช่ไหม แต่ถ้า<ะ>เขาไม่รู้จักพอในะยังต้องการสแสวงหามากขึ้นไปอีกนะมีสิบล้านก็โอ้ยยังมีน้อยอยู่ยังต้องการความสุขแบบคนที่มีร้อยล้านพันล้านน ะ, ะก็เขาก็ยังจนอยู<ะ>นะ่จนนี่หมายความว่าไม่พอเพราะฉะนั้น<ะ>ในกระเป๋ามีสิบล้านใช่ไหมแต่ไม่พอนะก็ะชื่อว่าจนแต่แต่ถ้ากระเป๋าคุณมีสักพันบาทแต่ถ้าคุณพอนะก็เรียกว่าคุณเป็นคนมีทรัพย์ อืมเจ้าค่ะเข้าใมีซัพบมีแง่สนใจมากเลยเจ้าค่ะอะแง่มุมตรงเนี้ยถึงบอกว่าเราต้องเป็นคนที่สันโดษแต่สันโดษในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ทําอะไรในชีวิตเนะบางคนจะไปสับสนกับคําว่าสันโดษเนี่ยแปบลบว่าคุณเป็นคนแบบล้าหลังไม่สนใจทําอะไรเฉยแฉะเป็นลักษณะนั้นไปเจ้าค่ะแต่ว่าสันโดษกับเฉยแฉะเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยเจ้าค่ะ สันโดษนี่ก็คือความที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช <Okay. S 1> ่ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าคุณเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่ในสำนักงานเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเออฉันต้องการเป็นเศรษฐเีเงินเงินล้านอ่ะเออถ้าฉันทงานฉันต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านเนี่ยแต่เราเราจะสาเร็จตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เงนินเดือนอาจจะไม่กี่หมื่นอาะไม่กี่แสนนะเราต้องพอใจในสิ่งนี้แล้วเราถึงจะทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จได้<ร>ซึ่งความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี้ก็คนละเรื่องกัน<ร>อย่างเช่นว่าคนที่ตั้งเป้าหมายที่จะมีความสําเร็จในชีวิตอย่างเนี้นนะถ้าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยจ e ิตของเขาเนี่ยจะไม่สมดุลคือไม่เป็นสมาธิเพอ <จร S 2> ไม่จิตไม่เป็นสมาธิแล้วเนี่ย มันจะไม่สามารถคิดงานหรือว่ามีอะไรมายั่วยวนมันก็หลีกไปเลยหนีไปเลยไม่ยอมทําสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้ตามได้ตามเป้าหมาย <Okay. S 1> ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าในสํานักงานอย่างเนี้ยถ้าเรามอบหมายให้พนักงานคนหนึ่งทํางานอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพนักงานคนนี้มีจิตที่มากไปด้วยความฟุง้งซ่านนะเขาก็จะแทนที่จะทํางานเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไปเล่น <Okay. S 1> อินเทอร์เน็ตบ้าง นะไปคุยโทรศัพท์บ้างนะไปกินข้าวเที่ยงหลายๆชั่วโมงบ้างอย่างนี้นะคือเฉยๆไปทางอื่นซะเนื่องจากความที่เขามีจิตไม่ไม่เป็นสมาธิไม่ปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตที่เราสันโดษในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญในขณะที่เราสันโดษในสิ่งที่เรามีนะแล้วเราสามารถตั้งเป้าได้อย่างเช่นว่าคุณต้องการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใน อกระทรวงอย่างเนี้ยฉันต้องการเป็นประหลัดยกตัวอย่างเช่นเจ้าค่ะถ้าคุณต้องการเป็นประหลัดตอนนี้คุณตำแหน่งอะไรชั้น C ี่สามเอาสีสามคุณต้องการเป็นประหลัดใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะประหลัดนี่เขาสอะไรสี่ิบเอ็นะเจ้า่ปลัดสี่สิบเอดแต่ตอนนี้ชั้น C ี่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องพอใจใน C ีสามของฉันเพราะอะไรเพราะฉั้นถ้าฉันไม่พอใจเนี่ยฉันจะเกิดการที่เดี๋ยวจะไปไปเขาเรียกว่าอะไรประจบใครนะหรือทําสิ่งที่ไม่ดี เขาเรียกว่าทำอคุโสแล้รทำเพื่อที่จะให้ต <Okay. S 1> ัวเองได้โตขึ้นไปใช่ไหมจิตมันจะไม่ปกติตรงนี้แต่ว่าถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะแล้วเราพอใจในสีสามใช่ไหมจิตชั้นปกติจิ ต, ตจัต้นเป็นสมาธิได้ฉันก็จะสามารถตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ได้ทํางานอย่างเต็มที่ได้ก็ไปตามคั้นๆไปเราจะก้าวรุ่งเรืองขึ้นไปใช่ด้วยความสําเร็จของการงานเราก็จะไม่ถูกขรหาไม่ถูกทวงหนี้เป็นคนไม่หิวเป็นคนมีทรัพย์ลักษณะนี้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะก็คือเช้าวันเสาร์นี้พระอาจารย์ภับูรณภิพุนโนก็ได้ให้แง่คิดจากพระคาถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งตรัสไว้นี่ถึง 2,500 กว่าปีที่แล้วนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนแล้วก็การกู้หนี้อันนี้จากการรับฟังพระอาจารย์ไพบูรณภิพุนโนท่านได้สากัจชาหรือว่าสนทนาธรรมมานั้นเนี่ยก็คงจะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านจับได้อย่างหนึ่งนะคะว่า คนเรานั้นควรจะมีความสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่เรามีเมื่อเรามีความสันโดษก็จะมีจิตเป็นสมาธิสามารถที่จะทําการงานต่างๆให้เรามีความเจริญก้าวหน้าไปได้ตามที่เรามุ่งหวังซึ่งก็จะแตกต่างกว่ากับการที่เราจะอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้คือมีกามอยู่เรื่อยเลยนะเจ้าคะก็คือมีความกําหนัด อยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ <S 1> <S 1> <S ใช่อันนี้อันนี้โยมสรุปนี้พอจะถูกต้องอต้อ ง, องเอด่นไปตามนี้ไหมเจ้าคะ <S <S ใช่ถูกต้องเลย <S 2> <S 2> แล้วก็อีกประการหนึ่งในเรื่องของความสันโดษก็คือว่าเราสันโดษแล้วเราสามารถมีเป้าหมายในชีวิตได้เจ้าค่ะด้วยความสันโดษที่เรามีเจ้าค่ะทีนี้บางท่านอาจจะงง ๆ, ๆว่าเอ๊ะแล้วมันมันไปด้วยกันได้ไงสันโดษกับมีเป้าหมายในชีวิตบ้นคนละจุดกันเป้าหมายในชีวิตนี่คือในอนาคต ใช่ไหมเราต้องตั้งเอาไว้ต้องมีแต่สันโดษ <Okay. S 1> นี่คือสันโดษในปัจจุบันสันโดษในสิ่งที่เรามีอยู่ <Okay. S 1> อ่างนีเจค่ะค่ะท <Okay. S 1> ีนี้ถ้าสมมุติว่าอถ้าพระอาจารย์จะสรุปในช่วงเวลาสามสี่นาทีที่เรามีอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์พิบูเจ้าค่ะอาโยมคิดว่าอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสรุปให้ท่านฟั ง, ฟงได้รับฟังว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะอะได้ชื่อว่าเป็นคนที่จนแล้วก็จําเป็นด้วยต้องไป กูนี่ยืมสินอันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินทองอย่างเดียวนะเจ้าคะแต่เหมือนไทยเนี่ยถึงการทําความดีอื่นๆต่างๆนาน า, นาอันนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งจิตใจเราอย่างไรจึงจะเป็นไปตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทส่งสักกัจฉาหรือว่าส่งสั่งสอนไว้เจ้าค่ะ<บ>ขอกราบนินมนต์เจ้าค่ะ ก, ก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยการให้มีคุณธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะแล้วก็ปัญญา ความชื่อมั่นในคําสองพระเจ้ชชาความกลัวต่อาบาปความละอายต่อาบาปคือบางคนกลัวผีใช่ไห ม, มอาตมาก็จะบอกว่าเอองั้นให้กลัวบาปดีกว่ากลัวผีแล้วก็ให้มีความเพียรให้มีปัญญาเราจะชื่อว่าเป็นคนที่มีทรัพย์มีความสันโดษแล้วหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆทําตามหน้าที่ของเราไปนะให้ละอายต่อสิ่งที่จะไม่ดีแล้วก็ให้เป็นคนเข้มแข็งต่อคุณธรรมแลนะเราก็จะค่อยๆมีความก้าวหน้าในชีวิตที่เรามีอยู่ แล้วก็การตั้งเป้าอะไรก็เป็นไปตามที่ว่าใครๆเขาทํากันก็ตั้งเป้าได้ไม่มีปัญหาเจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าเราทําได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พิบูรณลภิปุโนได้เมตตาสากข์ฉามอนี้ก็คงจะทําให้ชีวิตของเรานั้นสงบสุขนะเจ้าค่ะอยู่อย่างมีสติแล้วก็ไม่ไม่ได้เอาสิ่งที่ร้อนใจหรือความหยาบอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามารบกวนจิตใจของเรานะเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็สุดท้ายนี้ไม่ทราบพระอาจารย์จะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังที่จะเข้าร่วมทำบุญกับทางวัดป่าดอนไหยโศกสักนิดมั้ยเจ้าคะอ๋อก็คงจะมะีงานกระถินของวัดป่าดอนหยโศกก็จะเป็นวันที่23ตุลาคม2554เจ้าค่ะมันก็ถ้าท่านผู้ใดสนใจจะสร้างบุญด้วยการให้ทานก็เชิญชวนได้ เจ้าค่ะก็เป็นการสร้างสร้างโบสถ์ถูกไหมเจ้าค่ะใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะก็ก็ใกล้แล้วเหมือนกันอีกหลายปีหน่อยเจ้าค่ะก็เราทอกันงกันทุกปีก็ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยความหมั่นเพียรนะเจ้าคะโบสถ์สวยงามของวัดป่าดอนไหาโศก็จะสําเร็จลงได้นะเจ้าคะโอเคเจ้าค่ะก็สําหรับในเช้าวันนี้ดิฉันได้นําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาสนทนาธรรมหรือว่าสากัญชากับท่านพระอาจารย์พิบุรอภิปุโน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความยากจนแล้วก็การกู้หนี้ต่างๆซึ่งองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าเป็นความทุกข์ในโลกนะคะแล้วก็ได้ชี้ให้ท่านเห็นทางแล้วละค่ะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้างถึงเวลาที่จะต้องกลับนมัสการลาพระจันทร์ปิบุญญาพิบุโนกันแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยตั้งแต่เวลาตีห้เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ เรามากราบน้อมสักการลาพระอาจารย์พบูญอภิปุนโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด ร, อรสอาดที่โทภาสโส้อมกันเลยดีไหมคะกราบน้มสักการลาและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระาาอาจรารย์เจ้าค่ะสาธิเจ้าค่ะ